ถ้าหักทำนี้ตลอดนะความง่วงเข้าเราไม่ได้แต่ที่นี้เนื่องจากเนื่องจากเราเพลินแล้วขี้เกียจขี้เกียจเปลี่ยนนิยอบทมาก็ถูกทางมนันพอดีนั่นก็เรียกนันทหลาคะาคือขี้เกียจเนื่เพราะความเพลินนะลองดูนะเอาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจำได้พร้อมกันเอานับพร้อมกัน แค่นี้เก้าสิบสิบเพจหายไปอันหนึ่งทำไม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 จุงคนตาบอดเพราะว่าทางเหนือนะครับเจ้าทุเจ้าตอนแรกเนี่ยทุเจ้าดีตาดีจุงสธาตาบอดทุเจ้าไปบลอดสธาตาบอดจุงทุเจ้าตาดีต้องห่างเพราะฉะนั้นก็คือตอนแรกเนี่ยทำท่าดีพอสอนไปสอนมากิเลสมันเข้าเลยกลับไปบอดเหมือนเดิมแต่ไม่ออกพ็ออกกลับสว่างขึ้น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 ในที่สุดเอามาก็เลยถูกบังคับให้ใช้ในสิ่งเหล่านี้นะใช้ไปใช้มามันก็เป็นดังนั้นเองเราจะเห็นว่านาักวิทยาศาสตร์มันก็ทำให้เอามันสมองของอย่างที่กล่าบมาเบื้องต้นมันสมองของคน High ฮ p ปีดมาใช้กับคนม d i u m Speed หรลอ Low Speed ไอคนไอโลว์สปีดม e ดเดิ Speed มันก็จะตายเอาให้ได้นะวิง่งซอกซอกซอกหาเงินหาทองเพื่อจะไป สริให้มันไอตัวเองก็จะเป็นไฮสปีดอย่างเขามาั Hi ้งไฮสปีดต้องจ่ายสูงใช่ไหมดเน็ต <c oughs> บ้านเราถ้าเอา5้าคุณต้องจ่ายเท่านี้นะถ้าเอาพันหนึ่งคุณต้องจ่ายเท่านี้นะเอาสปีดสองพันคุณต้องจ่ายเท่านี้นะใช่ไหมบ้านเราก็ต้องขายเทคนโนโลยีกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราไม่รู้ตัวเราถูกครอบงำ ม, มาตามลําดับตามลําดับตามลําดับเรื่อยๆอถ้าคุณจะไปรถบัสต้องเท่านี้นะคุณจะไปรถส่วนตัวต้องเท่านี้นะแต่คุณจะไปเครื่องบินต้องเท่านี้นะ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 เชื่อมระหว่างรูปกับนาม้วยอาการเห็นอย่างนี้แสงสว่างที่ปรากฏในกายเห็นในกายชัดไหมชัดเมื่อเห็นกายชัดเหมือนกนระเปิดแสงสว่างเงา ม, มืดที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นพอเปิดึ้นปับ๊บเงา ม, มืดหายไปใช่ไหมีความจริงที่เป็นรูปธรรมก่อนนะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเจนอย่างนี้ความคิดเกิดขึ้นไหมความคิดปรุงแต่งกล้าเกิดไหม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 ทิฐิสสมาสังกปะสมสมาวาจาสสมากรรมตะการงานชอบ5สมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้อง6สมาสติ7 6เอ้ยสมาวายามะพยายามชอบ7สมาสติระลึกชอบ8สมาสมาธิตั้งใจชอบ9สมาญาณรู้ชอบ10สมาวิมุติ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 พร้อมทั้งอัฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริยู์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฐะคือประโยชน์ในส่วนที่เป็นทายพร้อมทั้งพยัญชนะคือในส่วนที่ <c oughs> ระเบียบแบบแผนที่เป็นอาร์ตถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออัถะก็คือตัวสารแล้วก็พยัญชนะคือตัวอาร์ตแล้วมันก็จะสวยงามเพราะนั้นจะว่าตาม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 ถ้าคนที่ไม่เคยมาก็อ้วอะไรกันนักกันหนาพูดเช้าพูดเย็นพ่อแม่ฉันก็ไม่พูดขนาดนี้นะสอนเลแต่นายพระพูดเยวะเลยกินนะ่ะเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อสร้างอะไรสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสัมปะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยจะเดินทางวิธีไห น, น, ก, นก็สบายไม่สงสัย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 เห็นไหมเพราะฉะนั้นสอนให้ไปรู้นะไม่ได้สอนให้ไปหลงนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นการทำเป็นนี่เองเรียกว่ากุศลมันมีคำในพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ามีหนึ่งอะไรนะสภาวปะประสะอาอการณอย่าสร้างความโง่เขลาให้กับตัวเองสองกุสลสู้ประสมบทาสร้างความฉลาดการทาอะไรให้เป็นเสมอ